ไม่พึงเก็บบาทไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งรูปใดเก็บไว้ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เอาบาทพึงแดดก่อนแล้วจึงค่อยเก็บสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเอาบาทพึงแดดไว้ทั้งที่ยังมีน้ำบาทมีกลิ่นเหม็น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 เราอนุญาตให้เอาบาทพึ่งแดดไว้ในที่ร้อนสักชั่วครู่แล้วจึงค่อยเก็บสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายวางบาทจำนวนมากที่ไม่มีเชิงรองไว้ในที่แจ้งบาทถูกลมพายุพัดกลิ้งตกแตกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสายโยกเป็นได้ถักสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายแขวนบาดไว้ที่ไม้เดือยข้างฝาบ้างที่งาช้างบ้างบาดพลัดตกแตกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงแขวนบาดไว้รูปใดแขวนไว้ต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเก็บบาดไว้บนเตียงเผลอสตินั่งทับบาดแตก